ทำมาได้มาพิจารณาถึงเหตุการณ์เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาก็อดคิดไม่ได้ว่ามันมีในหลายอย่างพันทองกับเหตุการณ์เดียวกันเมื่อสิสามปีก่อนนะนเป็นความ พร้อมกันโดยบังเอิญในบางแง่ก็ว่าได้พวกเราคงจนได้คือว่าคนทีอยย่60หรือ50กวา่านี่4ตุลา16นะก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะก็เกิดความรุนแรงขึ้น ากางกรุงเทพมันเกิเพราะเขาสนามบงรัฐดำเนินแลก็เลยวันนี้คนล้มตายบาเดเจ็บเป็นจำนวนมากจนมาทั่งถึงเย็นวันที่16บหกตุลาเหตุการณ์คือสงบนะเพราะว่าจอมปพธานนอมหรือว่ากับจอมพลป้าดย้งตอนเองมาองกิจกจารเดินท้านอกประเทศ บ้านหนึ่งก็คืนสู่ความสงบและคืนนั้นเนี่ยในหลวงเนี่ยก็มีพระราหรับทางโทรทัศน์ก็จะ เ, เป็นการถ่ายทอดสดน ะ, ะประหยกแรกที่พระองค์ตัดก็คือวันนี้เป็นวันมหาวิปโยคัตนะมาจาไดนะ้ตอนวันที่สนะิบหวันนี้เป็นวันมหาวิปโยคนะ พระพข อ, พ อ, พ อ, พ อ, พองพระองค์ก็เศร้าหมองนะเพราะว่ามีผู้คนบาดเจ็บล้มตายกันเป็นจำนวนมากเหตุการณ์เมื่อสองชั่มงที่ผ่านมาเนี่ยน่าะจะไม่มี ผู้ใดนะมากล่าวเมือนนายิบโรงได้เคยมีพระาดำรับเมื่อสีสาปีก่อนนะนนแต่ในใจของทุกคนเนี่ยก็รับรู้ว่าช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาของวันมหาธิะโยเป็ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์จะแตกต่างกันมากนะเหตุการณ์แรกนะเมื่อ4ีสาปีที่แล้วเนี่ย คนบาดเจะล้มตายกันเป็นร้อยบาดตายเป็นเกือบร้อยนะบาดเจ็บ ก, กันึกมากมายนะแล้วก็มีการเผาสถานที่ราชการหลายแห่งนะบ้านเมืองเกิดจะระจนวุ่นวายแต่ช่วงสองช่วงสอ ง, ง, งที่ผ่านมาไม่ได้มีคนล้มตายมากขนาดนั้นกนะ็มีเพียงบุคคล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 ช่วงฟังเงยง็นธนาก็ได้ดูการถ่ายทอดนะทางโทรทัศน์พิธีเคลื่อนพระบรมศพจากเซดิล่ามายัางพระบร ม, มาราชวังทังที่เซดิล่าแล้วก็สองเส้นทางตลอดสองเส้นทางอตลอดอเส้นทางจนสนามหลวงหน้าพระ บ, บรมราชวังมีคนเนี่ย พี่ว่าเป็นอาจจะเป็นแสนนนะแต่งชุดดําบ้างมีขาวบ้างแล้วทุกคนก็น้ําตานองหน้าไม่มีเสียงดังอะไรนะไม่มีเสียงดนตรีอะไรมีแต่เสียงรถนะแต่ว่าในแจขงผู้คนนี่เชื่อว่ารานะ่าไห้โดยเฉพาที่สนามหลวงสนามหลวงเมื่อศึ่สาปีก่อนนี่มัน มันเหมือนกับสมรภูมิสงคราม น, นะันที่1ิบเนี่ยเสียงดังทั้งรถถังทั้งปื น, นใครที่เป็นผู้ใหญ่ในช่วงเหตุการณ์นั้นก็อาจารย์ลุกภาพออก <c oughs> มันตรงข้ามกับเหตุการณ์เมื่อวา น, นที่ธรรมศาสตร์เงียบสงบนะแต่มันเงียบจนวังเวงแต่ว่าในใจผู้คนมี เรียกว่ามีความเศร้ามันเนงความหนักความหนักอีกข้างในหนักเพราะว่าเศร้าโศกในขณะเดีวยวกันก็เบาหวงนะมันเบาหวงเพราะว่าบางอย่างนะที่มีความสําคัญในชีวิตได้ขาดหายไปหายไปจากติตใจก็เป็นวันมหาวิทยาลนะัยพูดได้เป็นปากว่าเมื่อวานนี้เนี่ย ต่อเนื่องไปถึงวันนี้เรียกเป็นวันหมหาวิปยายโยกนะถึงแม้ว่าจะม่มีใครเตยคํานี้ขึ้นมาอย่างที่ในหลวงเคยเคยตรัสไว้ในเมื่อศึกษาปีก่อนแต่ก็พูดได้เป็นไปว่าเป็นวันหมหาวิทยาลัยโยคเหมือนกันถึงแม้ว่าเหตุการณ์มนะันจะไม่เหมือนกันเลยนะ ม, ม, มีสิ่ง ท, ที่เหมือนกันคือความเศร้าโศกเสียใจ ต่คิดว่าความสศร้าโเสีเยใจหรือความพิพโยของคนไทยในช่วงสองสมวันที่ผ่านมาใช้เวลาเยียวยานานกว่าเมื่อสี่สาปีที่แล้วนะาปีที่แ ล, แล้วคนตายเยอะจริงนะแต่ว่าหลายคนก็รู้สึกว่าเป็นการตายที่คุ้มค่าเพราะว่าได้ชัยชนะคือประชาธิปไตยนะส่วนผู้ที่สูญเสียชีวิต ครอบครัวก็ทำใจได้เพราะว่าได้รับการรุดย่องเป็นมีรชนแล้วก็มีการท่าทานเพลินศพอย่างสมเกียรติที่ที่สนามหลวงในปีถัดมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการการเศร้าโศกเสียใจก็ได้รับการเยียวยาได้ได้รวดเหลือพอสมควรแม้ว่าจะไม่ไม่ถึงกับว่าสมานสนิทนะแต่ว่า ความวิทยุโยคในช่วงสองซองที่ผ่านมานะคงใช้เวลาเยียวยานานพอสมควรนะเพราะว่าในตุผลเช่นไรคือว่าพระองค์ก็ไม่ได้ฟื้นกลับมานะมันก็เป็นความสูญเสียนถาวรซึ่งต้องใช้เวลาในการเยนะียวยาเวลาก็มีส่วนช่วยนะแต่ว่าถ้าหากว่าเราอยากจะ เยียยาติดแจงเราจากความโศกเศร้านีสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้คืออาการที่เรานึกถึงนามพระทัยและความดีของพระองค์เวลานึกถึงแล้วเนี่ยนะจิตใจจะเกิดเป็นกุศลขึ้นมานเกิดความสุขเกิดความปิติเกิดแรงบันดาลใจนะความเศร้าที่เป็นอกุศลธรรมนะแต่ว่าไอ้ความปิติความ แรงบันดาลใจเนี่ยเวลาเรานึกถึงความดีของใครสักคนที่เราเคารดนับถือเนี่ยมันจะเกิดกุศลธรรมขึ้นมาใน ใ, นใจนะซึ่งจะช่วยบรรเทาความเศร้าความโศกได้และถ้าหากว่าไม่ได้นึกถึงว่าเปล่านะหรือเฉยเแต่ว่าได้ลงมือทาด้วยอย่างที่ได้พูดอยู่นะมาตลอดแล้วใครๆก็พูดนะว่านะสิ่งที่จะช่วยเยียวย า, ยาความเศร้าโศกดีสคือการ ดำเนินรอยตามนะพระองค์หรือว่าทำตามพระปฏิภาของพระองค์ อ, นนอย่างไรก็ตามเนี่ยนะพวกเราคงทราบอยู่แล้วว่าการที่จะเดินตามพระองค์นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและถ้าจะจะทำได้เนี่ยมันต้องมีเหตปัจจัยที่สำคัญนะก็คือใจนะจะบําเพ็ญกลยียธ ก, กิจ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 หรือว่าผูดยันคือว่าก็มีธรรมะในใจอย่างที่พระองค์มีนี่ถ้ามันมีอยู่ข้างในแล้วเนี่ยการจะพูดการ ก, การะทำเนี่ยมันก็ออกมาอย่างได้ง่ายขึ้นนี่ธรรมหรือความดีงามพระองค์นี้มีมากมายแต่ถ้าสุดสั้นๆ น, นียนะมันก็มีแค่สิบันนะซึ่งเราเรียกว่าทศพิรัชธรรม ธรรมะหรือคุณ ง, งามความดีพระองค์ที่เราพูดกันหรือที่ลินได้ฟังมาเนี่ยมากมายหลายประการรวมทั้งพระกรณุณาธิคดเอมากมายมันก็มารวมลงที่ตรงที่เนี่ยธรรมะ1ิบข้อหรือว่าทศกิจราชธรร ม, รรรมซึ่งแม้ว่าจะเป็นธรรมะสานผู้ปกครองนะแต่ว่ามันก็เป็นธรรมะที่เราควรจะน้อมนามาใส่จิตใจของเราด้วย สข้อแรกเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะก็คือทานและศีนอันนี้หลายคนก็ทําอยู่แล้วทานเป็นประจำนะท้ายคือการให้นะสละสิ่งของรนะวมถึงสละเวลาศีลก็อย่างต่ำๆก็ศิน5ความหมายกว้างคือการควบคุมกายวาจางตนนะไม่ให้ไปเหยียดเยียนใครแต่ในที่นี้ก็เอาว่าเป็นสีน5้าแล้วกันนะ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 สละความสุกส่วนตัวออกไปบำเพ็ญกรอนี้ิจต่างๆทั้งในกรุงนะไม่ใช่แค่เปิดงานนะอย่างผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าลงไปหรือขึ้นไปถึงชนบทถิ่นทุร ก, กันดานนะสมัยก่อนนี่เส้นทางก็ลำบากนะบางทีก็มีถนนแต่หลายแห่งก็ไม่มีถนนโดยเฉพาะ ที่เป็นภูเขา เ, เช่นภาคเหนือหรือภาคอีสานพวกก็เสด็จไปนะเดินเท้าก็บ่อยแล้วก็อันนี้เราก็เห็นตัวอย่างนะจากภาพก็ดีหรือว่าจากคลิปวิดีโอเนี่ยก็เห็นได้ว่าพระองค์เนี่ยโดดเด่นทั้งนี้นะเรื่องของการเสีสละส่วนตัวสุขความสุขส่วนตัวซึ่งก็เป็นธรรมะที่เราควรจะจ ะ, จะนํามาปฏิบัติเหมือนกันนะ บางทีหลายคนให้ทานรักษาศีลนะแต่ว่าถ้าหาว่าจะต้องสละความสุขส่วนตัวหรือว่าแม้แต่จะมาอยู่ลำบากเช่นจะมาอยู่วัดเนี่ยบางคนบอกไม่เอาเลยมันลำบากไปนะจะให้ทานที่วัดในกรุงเทพก็เอาจะรักษาศีลที่บ้านก็ยังไหวนะแต่จะให้มาวัดนี่ไม่เอาเพราะว่ามันลำบากอันนี้ก็เรียกว่ายัางไม่มีปริจาข้านนะคือว่ายัางยัง ยังหวงแหนความสุขส่วนตัวนะซึ่งในโรวงของเราไม่มีอันนี้นะ<ม>ก็เรียกว่าเป็นแบบอย่างให้กับเราได้ประการต่อมาคือนะความซื่อตรงภาษาบาลีใช้ว่าอาชวะความื่อตรงนะก็แค่คำว่าสัจจะนั่แหละ อันนี้ก็เป็นลักษณะเด่นของพระมหากษัตริย์นะมนมีคําพูดว่ากษัตริย์ตัดแล้วไม่เปลี่ยนคำก็คือว่าพูดคําไหนก็เป็นคํานั้นในหลวงขอเรานี่ก็ตั้งแต่ตั้งแต่ครองราชย์ใหม่ๆนี่ก็มีเขารียประถมอะดำรักนะว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมนะเราเปี่ยมสุขในหมาชนชาวสยามอันนี้ก็เป็นคําเรียกว่าเป็นคําสัญญานะซึ่งพระองค์ก็รักษาคําสัญญานี้มาโดยตลอดระชนชีพอ่าถ้าเราทําได้ แม่เพีงส่วนเสีย ง, งพระองค์ท่านเนี่ยก็คือมีความซื่อตรงมีความซื่อสัตยนะ์พูดคำไหนเป็นคำนั้นนะแล้วก็ถือว่าเราก็ได้บำเพ็ญธรรมในข้อนิยอาชวะมัทวะนะข้อที่5เนี่ยก็คือความไม่ความอยู่ง่ายนะไม่เจเ้าเจ้าอย่างนะเรียกว่าสมถะเรียกง่ายนะ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 อันนั้นเขจะคงเป็นภาคเหนือเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่แสดงนถึงนะมัทธวะคนเห็น ว, ว่าสเสด็จเดชกุลชอยเล่าว่าเนี่ยเวลาพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปที่ไกลเนี่ยจ น, นหมดที่รถกันดานเนี่ยบางทีพระองค์ขับรถเองนะไม่ได้มีมหาเล็กขับให้ทางก็ขูดข่าพระองคขับนะคนที่นั่งเบาะหลังเนี่ยคือมหาเล็กนะคือเจ้าหน้าที่นะ นะเจ้าชีนนั่งนะในหลวงนี่เป็นคนขับนะเป็นคนระขับก็นะขับถึงแล้วพวกก็ทําทงานโฆษณาไปชาบ้านไปดูสถานที่ต่างๆไไปถึงที่บันนี้ก็ต้องเดินไกลนะนะเสร็จภารกิจก็กลับมาขับรถต่อนะขับรถกลับนะมหาเล็กหรือว่าเจ้าที่ก็นั่งอยู่เบาะหลังก็หลับไปด้วยหลับมีโอกาสได้หลับได้พักแต่ในหลวงไม่ได้พัก อันนี้ก็แล้วแสดงความอน้อมถ่อมตนของพระองค์นะก็คือว่าไม่ไม่ไม่เตยยตเตย อ, อ, อย่างทนะั้งที่สามารถที่จะจะมีคนให้สามารถที่จะอยู่สบายให้คนขับนะมาขับแทนพ ร, ระองค์ได้นี่เป็นแตบบ่อย่างที่ดีนะของพวกเรานะบางคนเนี่ยเพียงแค่เป็นพ่อแม่ของลูกนี่ก็แสดงความเตยยตเตย อ, อ, อย่างกับลูกแล้ว หรือว่าเป็นครูก็แสดงความต้ยเตอย่างกับ น, นักเรียนนะหรเป็นเจ้านายนี่ก็น่าจะเป็นแค่หัวหน้า ก, กองหรือเป็นผู้ใหญ่ผู้มีการนี่ก็มีพิธีตีตองเยอะเกินนะกับกครูผู้น้อยเนะี่เป็นประลัดอําเภอหรือว่าเป็นนายอำเภอก็มีพิธีตีตองมากเีนะ่ยอันนี้ก็เรียกว่าขาดนะมาทวะนะมันไม่ได้หมายถึงความการไปคุกคีตีโมงนะ ก็มีระยะอยู่นะแต่ว่าก็ไม่เจ้าเจ้าอย่างเมื่อถึงเวลาที่จะจะทำารโดยที่ไม่ต้องมีพิธีรีตองก็ทําได้ไ ม, ม้พิธีรีตองปเป็นเครื่องขัดขวางโดยเฉพาะการแค่ชิดกับพระสมณพิตรของพระองค์หรือว่าการทํำไรสําเร็จห้าข้อแรกเนี่ยนะธรรมะข้อแรกเนี่ยนะให้สังเกตว่าเป็นเรื่องของธรรมะฝ่ายบุตรธรรมะฝ่ายบุตรเช่นทานสิงให้ทานการรักษาสีงการ สละความสุดส่วนตัวเพื่อทอําประโยชน์ส่วนร่วมนีความ อ, อ่ความมีสั จ, นะจจะนะอาชวะมัทวาออนความอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าข้อหลังเนี่ยมันจะเป็ น, น, นหนักเรื่องของการธรรมะฝ่ายลบนะเช่นตะปาตบ ะ, ะตะปะเนี่ยหรือตะบะเนี่ยก็คือการข่มใจข่มใจเนี่ยนะเป็นการขม่มกิเลว ตามไม่ยด้ยขันติขันติคือความอดทนสองข้อนี้ต่างกันยังไงนะเพราะว่ามันก็เป็นแทบแเป็นการข่มเหมือนกันสบาบัานจะขม่มในแง่ที่ว่าข่มใจไม่ให้หลงไหลในความสุขส่วนตนหรือว่าความสุขสบายความเพลิดเพลินะ ไม่ลหลงไหลในสิ่งที่ปลเปลตหรพูดง็าคือไม่ลหลงไหลในวัตถุนะธรรมาชาติของคนที่เป็นเจ้าคนหลายคนหรือว่าเป็นผู้ใหญ่เห น, นือหน้าก็จะมีสิ่งปลเพลเยอะนะทั้งวัตถุนะแล้วก็รวมทั้งคำสรรเสริญ น, นะนี่ก็ต้องมีตบะคือว่าข่มนะใจไม่ให้ไปเพิ่มเกินกับสิ่งเหล่านี้นะ ลองถามเราเองตัวเราเองว่เออเราเป็นอย่างนี้บา้างหรือเปล่านะหรือว่าพอเรามีความสุขสบายเราก็เพลินลหลงไหลไปกับมันอย่างเช่นที่พูดมาสักครู่เราปิดสบายหรือเปล่าติดสบายไหยนะจะไปที่ไหนก็ต้องนะมีห้องติดแอร์นะต้องมีเบาะใหญ่เนะี่พอมาอยู่วัดก็อยู่ไม่ได้แล้วอย่างนี้นี่จะดำเนินตามตามรอยพระองค์ได้ยังไงนะเพราะวัดเรานี่มันก็สบายกว่า ชนบททางไกลเยอะหนระือ ว, ว่าตามชายแดนสึเป็นที่ที่พระองค์เสด็จไปบ่อยๆนะเมื่อ 30-30 ิบปีที่แล้วนะต้องข่มใจนะอย่าไปเพื่อเพลิอกับมันคนวะามสุขสบายมีก็ดีนะแต่ถ้าไม่มนะีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีแล้วติดมันนี่นะก็แสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติทำข้อนี้คนะือไม่ได้ข่มใจหลงปล่อยใจไปเพื่อเพลิ น, พนกับมัน ส่วนขันตนอดทนหมายถึอดทนนอดทนต่อสิ่งที่เป็นลบนะเช่นงานที่ยากลําบากความเจองานมากยังไงก็แม่เหนื่อยใจยังก็ไม่ท้อนะถูกคนต่อว่านินทา ย, ยัางไงนะก็ไม่เสียกําลังใจนะอันนี้คือไปเจอสิ่งลบนะเจอความยากลาบากเจอความต่อว่าด่าทอเจอความเสียสี้นะมินทาว่าร้ายนะก็ไม่ ไม่ท้อถอยไม่เสียกําลังใจนะอันนี้คือความอดทนในในทำฝ่ายลบนะซึ่งมาจากตะปาหรือตะบะนะคือความคนผอมใจไม่เพลินในทำฝ่ายบวกทำฝ่ายอารมณ์ฝ่ายบวกนะเจอเพราะพวกโลกธรรมโลกธรรมสี่เนี่ยนะนะได้ลาได้ยศได้เสริญหรือว่าสุขเนะี่ยนี่ถามมวตัวอะไรว่าเออเรามีอันนี้ไหม นะถ้าไม่มีก็ก็ควรจะสร้างขึ้นมานะต่อมาคือว่านะความไม่โกรธนะอันนี้ยากหน่อยนะอัโกทันะนะแต่ถ้าเราฝึกนะทั้งสองข้อนะสุดท้ายได้เนะี่ยก็คือสะบัดนะกับคันติเนะี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ย เจออะไรก็ไม่รู้สึกขัดอกขัดใจง่ายๆคนที่ติดสบายเนี่ยนะพอเจอสถานที่ที่ไม่สบายเนี่ยก็จะรู้สึกขัดใจแล้ทำไมไม่มีเครื่องแอร์ทำไมไม่มีพัดลมทำไมไม่มีเบาะทำไมไม่มีมุ้งอะไรนี้เป็นต้นทำไมไม่มีน้ําแข็งไงเนี่ยขัดใจนะเพราะมันติดสบายหรือว่าถ้าไม่มีขันตีไม่รู้จอดทนต่อความย่ำลบากมาวัดนี่โอ้ก็บนแล้วะทางไม่ดี เกิดความคุนเคืองใจอันนี้ก็เรียกว่าอาจจะนำไปสู่ความโกรธนี่อกากโธท่มันก็ทําได้เหมือนกันนะหรือถึงแม้ว่าเรามีความโกรธแต่เราก็รู้ทันรู้ทันแล้วกอ็อาจจะไม่ต้องค่มความโกรธไว้เพียงแค่รู้ทันเนี่ยความโกลง ก, ก็บรรเทาเบาบเมื่อเมื่อมี อ, อโกธทาคุณไม่โกรธแล้วเนี่ยการที่จะบำเพ็ญทำข้อต่อไปก็ง่ายนะเนี่ยอาวิหิงสารคือการไละเอียดเบียนนะ สองข้อสองข้อสุดท้ายที่ว่าเนี่ยอาโกดัากับอาวิถาษานี่มันมันมีสิ่งสิ่งเป็นหน้าสาหรับคนที่เนียมหน้าเริ่มตั้งแต่พ่อแม่เลยเนะี่ยพ่อแม่เนียมหน้าเหนือลูกนะพ อ, อเนียมหน้าเหนือลูกน้องเจ้านายเนียมหนาาเหนื อ, อ ผู้ตายบางคบรรชาพอเมียมหน้าเนี่ยมักจะระบายความโกรธใส่ได้ง่ายนะแล้วก็เบียเดเบียนยอาจจะถกถามด้วยควมพูดนะบางทีเมียมหน้ามากๆนีก็จะใช้กำลังเลยนะเช่นตบหัวนะอะรทำนี้กับลูกอะไรทานี้กับลูกน้องนะ แล้เราควรเรียนนะเรียนจากในหลวงในข้อนี้ก็คือว่าอโกธาไม่โกรธนะไม่เด็ดเดียนแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยนะมันเป็นคําที่เรียกว่าเป็นการสรุปรวบนบธรรมะทั้งหลายนะเอาวิโรธนะคือความไม่คาดเคลื่อนในธรรมนะไม่คาดเคลื่อนในธรรมคือตั้งมาในธรรมนั่นเอง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 เจการมาสุขเจอเงินทองเจอโอกาสในการที่จะคดโกงก็ใจก็โอนเองละในควาเดียวกันนะพอเจอคําต่อว่าด่าทอนะหรือว่าเจออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจแนะม้แต่เจออาหารที่ไม่อร่อยก็โมโหนะขุนเครื่องนะเกิดความยินร้ายแล้วก็ปล่อยใจให้ความยินร้ายนั้นครอบงำ ที่จิงถาเราเมันเจริญสติเนี่ยนะในการที่เราจะเจริญในอวิโรธนานนี่ก็ทำง่ายๆเพราะสติเนี่ยมันทาให้เราเนี่ยวางใจเป็นการกับสิ่งต่างๆไ ม, ไม่ยินดีในอารมณ์ที่น่าพอใจไม่ยินร้ายในอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจอารมณ์นที่หมายถึงว่ารูปแลกลิ่นเสียงอารวมทั้งสัมผัสแล้วก็จะรวมไปถึงอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจด้วยนะ มีความกลัวเกิดขึ้นในใจก็ไม่ได้รู้สึกตอบต้าผักสายมันก็ดูมันเฉยเเห็นมันเฉยเฉยเรียกว่ารู้ซื่ อ, อมีความยินดีเกิดขึ้นในใจก็เออแล้วก็ไม่ได้ลหลงไหลเครื่องชอยไกับมันนี่ถ้าว่าเราเนี่ยนะน้อมนำเอาธรรมะสิบข้อเนี่ยมาใช้เนี่ยนะมันจะเป็นประโยชน์กับชีวิตของเรามากในทําให้การที่เราจะดําเนินรอยตาม เรื่องพยุคนอรบาตเนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายเป็นงดตอัตโนมัติถ้าไม่ไม่น้อมนำธรรมะมามนในใจเนี่ยแต่ทํายังไงทํายังไงก็ก็ไม่สามารถจะเดินตามพระองค์ได้นะเพราะว่าคนเราจะเดินนะจะเดินตามเนี่ยมันก็ต้องออกมาจากใจหลง น, นะถ้าใจไม่ไปเนี่ยนะเท้ามันก็ไม่เดินหรอกนะอันนี้บางคนจะพูดว่าเราไม่ใช่เป็นพระราชาเนะขาสืราชธรรมเนี่ยเขาไปสอนผู้ปกครองนะ แต่ที่จริงเนี่ยถึงแม้เราจะไม่ใช่ราชานะจะไม่ได้พระมหากษัตริย์เนี่ยแต่เราก็ก็ต้องมีคนในปกครองอยู่นะอย่างต่ำๆก็ลูกนะนะหรือว่ากว้างองกอกไปก็ลูกน้องนะผู้ใต้บังคับบัญชาเราก็เป็นผู้ปกครองอยู่เหมือนกันทุกคนเนี่ยนะเดี๋ยวพมามาถึงไวัยนี้แล้วย่ยอมเป็นผู้ปกครองนะเพราะฉะนั้นเนี่ย จำเป็นต้องมีทศวิรัชธรรมด้วยนะคือแม้จะไม่ใช่พระหมหากษัตริย์หรือในรัฐมนตรีก็ตามแต่ที่มาคือเราเองเก็ต้องคลองตนให้ไดนะ้เราไม่มีใครเลยนะเราไม่ได้เป็นพ่อแม่ใครแต่เราก็ต้องคลองตนคลองใจของเรานั่นเองนะคลองใจงเราไม่ให้กิเลสครอบงำไอ้ทศวิรัชธรรมเนี่ยนะมันก็เป็นธรรมที่เอามาใช้คลองใจได้เอามาใช้ครองตนไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำนะ ไม่ให้มันโชโอกาสนะก็มาใช้เราทําสิ่งชั่วร้ายอย่างที่ผู้ว้เมื่อเชา้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมือ่อในโอกาสอย่างนี้เนี่ยนะนอกจากเราจะมาสะแสดงความจะรู้สึกเศร้าโศกนะอะไรอาวรในในหลวงนะของเราแล้วเนี่ยนะให้เรานะตั้งมั่นในการที่จะทําความดีจะเลยลอยกาพรพื่อนท่านแล้วก็สิ่งที่เราทําได้เลยนะคือว่า น้อนํำธรรมะนะที่โรงปฏิบัติเอามาใช้กับตัวเราตั้งแต่เดืยวนี้แต่วันนี้นะไม่ว่าจะเป็นทานศีลปริจาคัชอาชวมัทวะสบากันตินะอะโกทะอ า, อาวิหิงสาแล้วก็อวิโรธนะอย่างน้อยๆห้าข้อแรกี่ยพยายามทำให้ได้และห้าข้อหลังมันก็จะก็จะกลายปเป็นเรื่องง่ายขึ้น ข้ามือกุฏิทันทีนะกลับคร